จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2552ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นวันพระวันธรรมมสวนาะ วันฟังธรรมเป็นวันที่เราทั้งหลายได้ตั้งใจมาทำประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนท่านคือส่วนของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทดังที่พระบรมศาสดาได้ทรงตัดสอนก่อนที่จะอำลาจากพวกเราไปว่าสังขารทั้งหลาย เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาจงสร้างประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเพราะชีวิตของคนเราก็มีเวลาที่จำกัดแล้วก็จะมีเวลาน้อยลงไปเรื่อยๆ อ, อายุจะมีมากขึ้น แต่เวลาที่จะอยู่จะมีเหลือน้อยลงไปเวลาที่จะทำคุณทำประโยชน์ก็จะมีเหลือน้อยลงไปแล้วเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายนี้แตกดับไปแล้วก็จะไม่สามารถทำประโยชน์อะไรได้อีกต่อไปจนกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายดาย การมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ยากมากในบรรดาสิ่งที่ยากมีอยู่4ประการด้วยกันคือ 1. การปรากฏของพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นสิ่งที่ยากเย็ยนมาก 2. การได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ยากมากการที่ได้ดำรงชีวิตอยู่ ก็เป็นสิ่งที่ยากและการที่ได้ฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมก็เป็นสิ่งที่ยากมากพวกเรานี้ถือว่าโชคดีที่เราได้พบกับสิ่งที่ยากทั้งหมดนี้ในภพนี้ในชาตินี้เป็นโอกาสที่เราจะสามารถตักตวงประโยชน์สุขให้แก่จิตใจของเราได้อย่างเต็มที่ นักผลนิพพานนี้ก็เหมือนกับอยู่แค่เอื้อมมือเราแล้วเพราะเรามีบุญมีวาสนาที่ได้มาเข้าใกล้มรรคผลนิพพานถึงขนาดนี้โอกาสอย่างนี้คิดว่าจะหาได้ยากมากถ้าเรากลับมาเกิดครั้งหน้าเราก็อาจจะไม่พบกับพระพุทธศาสนา ไม่พบกับพระธรรมคาสอนถ้าเราไม่มีอุปนิสัยที่ติดตัวมากับเราที่ชอบทําบุญชอบฟังเทศฟังธรรมชอบปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้มรรคผลนผิพพานมาเป็นสมบัติเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเอกนับไม่ถ้วน พบชาติจนกว่าจะได้มาเจอท่าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เจอรือได้รู้ได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่ถ้าเราพบแล้วเราก็ยังเป็นแบบทัพทีในหม้ อ, อกแกงคือไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้าไม่เห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ ไม่เห็นคุณค่าของการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เห็นคุณค่าของการได้ยินได้ฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมและได้ปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งใหญ่นี้เลยแม้แต่นิดเดียวเราก็จะเป็นเหมือนทัพพีในหม้อแกงที่ถึงแม้จะอยู่ในหม้อแกงแต่จะไม่รู้ว่ารสชาติของแกงนั้นเป็นอย่างไร ดังนั้นพวกเราจึงพยายามทาตัวของเราให้เป็นเหมือนลิ้นที่สัมผัสกับรสแกงคือจะรู้ทันทีว่าแกงชนิด น, นี้เป็นเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีอย่างไรรสชาติดีหรือไม่ดีอย่างไรเราลิ้นนี้จะรู้ได้ทันทีถ้าเป็นทับที่แล้วก็จะไม่มีทางรู้ได้เลยดังนั้น พวกเราต้องพยายามทำความเข้าใจทำความรู้จักคุณค่าของสิ่งที่หาได้ยากนี้ทั้ง4ี่ประการนี้เช่นการมาเกิดของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งนี้ก็เป็นระยะเวล า, าเวลาที่ยาวนานมากพระพุทธเจ้าก็ทรงเปรียบเหมือนกับพระอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างแก่โลกถ้าโลกนี้ไม่มีแสงอาทิตย์ คิดดูซิว่าจะเป็นอย่างไรจะต้องอยู่ในความมืดตลอดเวลาจะไม่มีความสามารถที่จะเห็นหรือจะทาอะไรที่ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ได้เลยการไม่มีพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับไม่มีคนมาชี้บอกเรื่องของคุณของโทษเรื่องของประโยชน์หรือเรื่องของความสุขของความเจริญของ ชีวิตจิตใจของเราเลยเราจะถูกความหลงคือความมืดที่ครอบงาใจของเหล่านี้หลอกให้เราไปเห็นผิดเป็นชอบไปเห็นในสิน่งไปเห็นความความทุกข์ว่าเป็นความสุขแล้วเราก็จะต้องพบกับความทุกข์ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดตายไปกลับมาเกิดใหม่ก็จะเป็นเช่นเดิมอีก จนกว่าจะได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระธรรมคาสอนที่สงสอนให้เราเข้า อ, อกเข้าใจให้รู้ว่าสุขทุกข์นั้นอยู่ที่ไหนและเหตุของสุขของทุกข์นั้นอยู่ที่ไหนนี่คือคุณค่าของพระพุทธเจ้านานๆถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วมาประกาศพระธรรมคาสอน ให้แก่สัโลกสักครั้งหนึ่งเป็นเวลาอัญญาวนานเป็นกลับเป็นกันกลับหนึ่งนี้ท่านก็เปรียบเทียบว่าเป็นเวลาที่คนคนหนึ่งนี้ทุกร้อยปีเอาผ้าไปลูบเขาพระสุเมรหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งทุกร้อยปีก็เอาผ้ามาลูบเขาพระสุเมรหนึ่งครั้งลูบไปเรื่อยๆจนกว่าภูเขาเขาพระสุเมนนี้จะสึก หายไปหมดคิดดูแล้วกันว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะเอาผ้ามาลูบทำให้เขาพระสุเมนีลาภหายไปหมดนั่นก็คือระยะเวลาที่ยาวนานมากสำหรับการปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แล้วในระหว่างนั้นถ้าเราไม่มีปัญญาที่เราจะ สามารถสองตัวเราเองได้เราก็จะไม่มีโอกาสไม่มีทางที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจของเราไม่มีโอกาสที่จะกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้เลยแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏแล้วก็เป็นเหมือนกับมีดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นมาส่องแสงสว่างให้แก่โลก เราก็จะสามารถมองเห็นสิ่งต่า ง, างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้พอมีพระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมคําสอนก็จะทําให้เราเห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นมรรคผลนิพพานได้อย่างชัดเจนแล้วก็ได้ยินได้ฟังทางที่จะพาให้เรา ไปสู่ความสุขที่แท้จริงไปสู่ความสิ้นทุกข์ได้นี่คือโอกาสหรือคุณประโยชน์อันเลิศอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เมื่อเราได้มาเกิดแล้วเราก็ถือว่าเป็นบุญมากมีวาสนามากเราจึงไม่ควรปล่อยให้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ ดลุดหลุดจากมือลราไปคือไม่ได้ตักตัวประโยชน์จากพ่อธทําคำสอนนี่คือเรื่องของการปรากฏขึ้นมาของพระพุทธเจ้าส่วนการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ยากเช่นเดียวกันเพราะมนุษย์นี้ไม่เหมือนกับเดราชามนุษย์นี้จะออกลูกคัมหนึ่งก็เพียงหนึ่งคนโดยทั่วไปตามปกติแล้วคนหนึ่งก็จะมีลูกไม่มาก ไม่เหมือนกับเดรัฉานที่เขามีลูกเป็นคอออกได้มากแล้วการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็ต้องมีศีลด้วยถึงจะมาเกิดได้ถ้ารักษาศีน้าได้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่ไม่มีศีลถ้าไม่มีศีล ท, ทําบาปทํากรรม ก็ต้องไปเกิดในอบายก่อนไปใช้เวรใช้กรรมให้หมดไปก่อนกว่าที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่สำหรับผู้ที่รักษาศีลห้าได้นี้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ ท, ทันทีหลังจากที่ตายไปแล้วถ้าไม่ไปรับผลบุญที่สวรรค์ก่อนก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมีโอกาส ที่จะได้ศึกษาพราะธรรมคําสอนสามารถปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนได้สามารถทําบุญให้ทานรักษาศีลจเจริญภาวนาได้ต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนได้อย่างเต็มที่ถ้าไปเกิดเป็นเทพเป็นเทวดานี้ก็จะต้องมี พระอรหันหรือพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมโปรดในสวรรค์เท่านั้นถึงจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ามาเกิดเปนน็นมนุษย์นี้โอกาสที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนนี่มีอยู่มากเพราะมีพระสงฆ์ อ, องค์เจ้าที่ศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วนำเอาไปปฏิบัติจนมี ความรู้แจ้งแห็นจริงแล้วก็นำเอามาสั่งสอนให้แก่สาธุชนทั้งหลายมีอยู่เป็นจานวนมากโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนจึงมีอยู่มากแต่ถ้าเราไม่ตักตวงประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการได้ยินได้ฟังธรรมจากการปฏิบัติธรรม ก็ไม่มีใครที่จะช่วยอะไรเราได้เมื่อเวลาของชีวิตของเราจบลงเราก็จะไปแบบตัวเปล่าๆไม่มีอะไรติดตัวไปไม่มีอะไรติดตัวไปนี่คือเรื่องของความยากต่างๆที่เป็นสิ่งที่เรา ได้มีโอกาสได้มาพบได้มาเป็นถ้าเปรียบเหมือนกับการถูกรัตเตอรี่ก็คือได้ถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนั่นเองโอกาสที่จะถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี้ไม่ใช่เป็นโอกาสที่ง่ายมีรางวัลเดียวพวกเรานี้ได้ถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปขึ้นเงินหรือไม่ หรือจะโยนใส่ทิ้งถังขยะไปถ้าเป็นแบบพวกนกแก้วหรือพวกทัพพีในหม้ อ, อกแกงก็คงจะเห็นว่าเป็นเศษกระดาษไม่สนใจที่จะไปตรวจรางวัลว่าได้ถูกรางวัลอะไรบ้างเก็บมาได้ก็คิดว่าเป็นเศษกระดาษก็เอาไปโยนทิ้งใส่ถังไปแต่ถ้าเป็น คนที่มีสติมีปัญญาก็จะดูว่ากระดาษนี้เขียนไว้ไวๆอย่างไรถ้าเห็นว่ายังเป็นวันที่ที่เพิ่งออกที่เพิ่งผ่านมาก็จะเอาไปตรวจดูก่อนดูว่าถูกรางวัลหรือไม่แล้วถ้าตรวจแล้วเห็นว่าถูกก็จะได้เอาไปขึ้นเงินได้นี่ก็คือลอตเตอรี่ที่พวกเราได้กันมาทุกคน เราพวกเราได้รางวัลที่หนึ่งแล้วเพียงแต่ไปขึ้นเงินเท่า น, นั้นเองจะยากย็นอย่างไรถ้าเรายังไม่มีความอุตสาหะวิริยะไม่มีความฉันทะคือความยินดีที่จะน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้ามาใส่ใจมาศึกษามาปฏิบัติแล้วเราก็จะ เป็นเหมือนนกแก้วที่เวลามีคนหยิบแก้วให้ก็จะไม่เอาแต่ชอบขอแก้วชอบร้องขอแก้วจ๋าแก้วจ๋าพอหยิบแก้วให้คือเพชรมินจินดาให้ก็ไม่สนใจอยากจะได้กล้วยอยากจะได้แตงกวาใจของพวกเราก็เป็นเหมือนนกแก้วนี่แหละคือ มีสิ่งที่ดีที่วิเศษห ย, ยิบยื่นมาให้กับเราก็คือมรรคผล น, ผนิพพานแต่พวกเรากลับไม่ชอบไม่อยากจะได้กันอยากจะได้ลาบยศสารเสวญสุขความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายกันเราก็เลยไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงสักครั้งพบกับความสุขที่เป็นเหมือนกับยาขมเคลือบน้าตาล เป็นความความทุกข์ที่เคลือบด้วยความสุขเวลาที่เราได้อะไรมาใหม่ๆเราจะดี อ, อกดีใจแต่พอเราได้มาแล้วเราก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่เราได้มาเราต้องทุกข์เพราะเราต้องคอยดูแลรักษาเราต้องคอยหวงคอยห่วงแล้วเราก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจเมื่อ สิ่งที่เราได้มานั้นสูญหายไปหรือจากเราไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คืออนิจจงและอนัตตาและทุกขังอนิจจงก็คือเขาไม่เที่ยงเขามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเขามีมาแล้วมีไปเขาไม่ใช่ตัวตนหรือไม่ใช่สมบัติของเรา เราไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราให้เป็นไปตามความต้องการของเราถ้าเราไปหลงอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาดังนั้นเราจึงต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเมื่อเราศึกษาแล้วเราจะได้รู้วิธีดักความทุกข์ภายในใจที่มีอยู่ให้หมดไปได้ เพราะทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนนี้ก็มุ่งไปที่การดับความทุกข์ภายในใจของเราการทําบุญไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามจะเป็นการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีก็เป็นการทําเพื่อระงับดับความทุกข์ความทรมานใจนี่เอง ที่ต้องทำหลายชนิดด้วยกันก็เพราะว่าความทุกข์นี้มันไปเกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งต่างๆหลายหลายชนิดด้วยกันเราที่ต้องให้ทานก็เพราะว่าใจของเรานั้นไปทุกกับสมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่นั่นเองเรามีเรามีอะไรเราก็หวงเราก็หวงเราก็อยากจะให้อยู่กับเราไปนานา ทั้งๆ ท, ที่เราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีส่วนนั้นเราก็ยังหวงเก็บเอาไว้พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเราให้ทานให้เอาสิ่งที่ไม่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีพของเราส่วนเกินนี้เอาไปให้ผู้อื่นเอาไปแจกจ่ายให้ผู้อื่นเพื่อจะได้ปลดเรื่อมความทุกข์ที่เรา มีอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเรามีอยู่เราก็ยังต้องคอยดูแลรักษาต้องหวงต้องห่วงแล้วก็ต้องเสียใจเวลาที่หายไปหรือจากเราไปแต่พอเราเอามาให้มาถวายพระหรือเอาไปช่วยผู้ที่เดือดร้อนเราก็สูญเสียส่วนนี้ไปแต่เรากลับไม่เสียใจเรากลับไม่ทุกข์ใจ เพราะเราให้ด้วยความเต็มใจเราให้เพราะเราต้องการที่จะปลุกเรื่องภาระที่อยู่ภายในใจของเราเมื่อเราให้ไปแล้วเราก็จะได้ความสุขใจความสุขใจนี้ก็คือบุญนี้เองบุญแปลว่าความสุขใจการให้นี้ก็เพื่อที่จะสร้างความสุขใจให้แก่เราให้เราเก็บเอาไว้เก็บข้าวของที่จำเป็นไว้เท่านั้น ส่วนที่ไม่จำเป็นที่เรารู้ว่าเราไม่ใช้อย่างแน่นอนก็อย่าเอาเก็บเอาไว้ให้เสียเวลาให้หนักอกหนักใจไปปะปะ่าๆนี่คือการการสร้างความสุขที่แท้จริงให้แก่เราสร้างด้วยการให้ทานด้วยการสมเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นตามแต่กำลังแห่งสติปัญญาหรือกำลังทุนทรัพย์ของเราที่มีอยู่ ถ้าเราให้หมดแล้วเราไม่มีอะไรจะให้อีกแล้วเราก็ไม่ต้องไปขวนขวายไปหามาให้อีกเพราะนี่ไม่ใช่เป็นเป็นเป้าหมายของของการให้ทานการให้ทานก็เพื่อให้มีสิ่งที่เรามีเหลือเกินความจำเป็นของเราเมื่อให้หมดแล้วก็ถือว่าจบแล้วเรื่องของการให้เราจะได้มีเวลามา ทำอย่างอื่นต่อมาสร้างความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลต่อสร้างความสุขจากการทำสมาธิสร้างความสุขจากการเจริญปัญญาต่อไปถ้าเรายังมัวไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาทำบุญอีกเราก็จะไม่ก้าวขึ้นไปสู่ความสุขที่สูงขึ้นที่ดีขึ้นกว่า วความสุขที่เกิดจากการให้ทานถ้าเป็นการเรียนหนังสือก็เป็นเหมือนกับไม่ขึ้นชั้นอยู่ปหนึ่งก็อยู่เรียนอยู่แต่ปหนึ่งไม่ยอมขยับขึ้นปอสองไม่ขยับขึ้นปสาตามลาดับต่อไปเมื่อเราทำทานอย่างเต็มที่แล้วหรือขณะที่เราทำทานอยู่นี้เราก็สามารถที่จะขยับขึ้นสูง ชั้นที่สองได้คือขึ้นสู่ชั้นศีลได้ขั้นสู่ชั้นที่สามก็ได้ชั้นสมาธิชั้นปัญญาก็ได้แต่จะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่ที่ชั้นที่หนึ่งว่าเราเราเร า, เราอยู่เราทําได้มากแค่ไหนถ้าเราทําชั้นที่หนึ่งได้เพียงห้าสิบร้อยละห้าสิบเราก็จะมีกําลังทํา ชั้นที่สองรอยละหาิชั้นที่สามชั้นที่สี่ร้อยละห้าสแต่ถ้าเราทำชั้นที่หนึ่งได้ครบร้อยเราก็จะสามารถทำชั้นที่สองที่สามที่สี่ให้ครบร้อยได้ถ้าเรายังทำบุญอยู่ยังให้ทานอยู่แต่เรายังไม่ให้หมดเรายังมีเก็บเอาไว้อยู่อย่างนี้เราก็จะรักษาศีลไม่ได้เต็มที่ไม่เหมือนกับคนที่ให้หมดเลยเช่นพระพุทธเจา้าหรือ พระที่ออกบวชกันท่านให้หมดเลยท่านมีเงินทองมากมายมากหรือน้อยเพียงไรท่านก็ให้ผู้อื่นไปหมดไม่เอาติดตัวไปเลยไปแต่ตัวเปล่าๆไปไปบวชแล้วก็มีเพียงสมบัติที่จำเป็นต่อการครองชีพก็คือบริอัฐบริขานบริขานแปดชิ้นด้วยกันเช่นบาและจีวอน ทางนี้ก็ถือว่าพอเพียงต่อการดำรงชีพแล้วและถือว่าได้ทำทานได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเมื่อทำทานได้ครบ1้0เซการที่จะรักษาศินก็จะสามารถรักษาศินได้ครบร0อยเซนินสองร้ีเข้อนี้ก็จะรักษาได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์เมื่อมีศินครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว จะทำสมาธิก็จะสามารถทำจิตใจให้ลงเข้าสู่ความรวมสู่ความสงบได้เต็มที่ได้เต็มร้อยที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิหรือคณิกาสมาธิที่จิตรวมลงแล้วเหลืออยู่แต่สักแต่ว่ารู้จิตมีอุเบกขามีความสุข ถ้าเป็นคณิกะก็หมายถึงว่ารวมลงเพียงชั่วขณะหนึ่งรวมลงไม่นานแล้วก็ถอนออกมาถ้าเป็นอัปปนาก็จะรวมลงแล้วก็สงบอยู่นานนานกว่าคณิกะจะนานมากนานน้อยก็ขึ้นอยู่กับกำลังของสติที่ใช้ควบคุมบังคับให้ใจรวมลงเข้าสู่ความสงบถ้า มีสติที่มีกําลังมากก็จะรวมได้นานถ้ามีสติที่มีกําลังน้อยก็จะรวมได้น้อยแล้วเมื่อจิตรวมลงเป็นสมาธิเต็มที่แล้วเวลาถอนออกมาก็จะสามารถทําหน้าที่ของการเจริญปัญญาได้อย่างเต็มที่ปัญญานี้ไม่ได้เกิดจากการมีสติมีสมาธิสมาธินี้เป็นเพียงผู้สนับสนุน ทำให้เกิดปัญญาต่อไปสมาธินี่ก็เป็นเหมือนกับปุ๋ยที่จะทำนุกบำรุงปัญญาที่เป็นเหมือนต้นไม้ให้เจริญ ง, งอกงามได้ถ้าต้นไม้ไม่มีปุ๋ยไม่มีดินที่มีอาหารต้นไม้ก็จะไม่สามารถเจริญ ง, งอกงามได้ฉันใดปัญญาถ้าไม่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุน ปัญญาก็จะไม่สามารถเจริญงอกงามขึ้นมาได้และเมื่อไม่มีปัญญาเจริญงอกงามเต็มที่ก็จะไม่สามารถทำจิตให้หลุดพ้นได้อย่างเต็มที่นี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันความหลุดพ้นนี่เป็นสุดยอดของของผลที่เราต้องการกันที่เราทำบุญให้ทานก็เพื่อที่เราจะได้มีศีลเมื่อเรา รักษาศีลได้เราก็จะทำสมาธิได้ง่ายเมื่อเรามีสมาธิเราก็จะเจริญปัญญาได้ง่ายและได้ผลเมื่อเรามีปัญญาเราก็จะสามารถดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจได้ทำจิตใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าหรือทางเดินที่พระพุทธเจ้าทรงทรงถาถางทรงทำไว้ให้พวกเราเดินตามพวกเราเพียงแต่เดินตามเท่านั้นเองไม่ยากเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าที่ต้องหาทางเองหาทางเองนี่มันไม่ใช่เป็นของง่ายถ้าเราไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางที่เราต้องไปนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ทิ่เหนือทิศใต้ทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก เราก็ต้องลองไปเรื่อยๆลองไปทยงทิศนี้ถ้าไปแล้วไม่ใช่ก็ต้องไปอีกทิศหนึ่งไม่ใช่ก็ต้องไปอีกทิศหนึ่งจนกว่าจะไปพบทางอย่างพวกเรานี้ไม่ต้องเสียเวลามาหาทางกันมีทางอยู่แล้วมีคนนำทางอยู่แล้วเพียงแต่ขอให้เดินตามเท่านั้นเองทำไมจะทำกันไม่ได้มีคนที่เขาเดินตามกันมาก มาเป็นจำนวนมากแล้วตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนก็มีผู้มีจิตศรัทธาเดินตามพระพุทธเจ้ากันแล้วก็ไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนำเนินไปถึงกันมีเป็นจำนวนมากดังนั้นพวกเราก็เป็นพวกที่มีโอกาสเช่นเดียวกันเพราะพวกที่เขาไปเขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนเรา เขาก็เป็นบุตุชนธรรมดาเหมือนเรามีความโลภความโกรธความโง่เหมือนเราต่างกันตรงที่ว่าเขามีความศรัท ธ, ธามากเขามีความวิริยะอุตส า, า, าหะอุตสาหะมากเขามีความอดทนมากพวกเราท้ายังไม่มีเราก็สร้างมันขึ้นมาได้ไม่ยากเย็นอะไรถ้าเราอยากจะมีศรัท ธ, ธามากก็ให้ฟังเทศธรรมให้มาก ให้ศึกษาเพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้มากแล้วเมื่อเราได้ศึกษามากแล้วเราก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาเมื่อมีศรัทธามากแล้วก็จะมีความขยันหมั่นเพียรมากจะมีความอดทนมากแล้วก็จะปฏิบัติเมื่อปฏิบัติมากผลก็จะปรากฏขึ้นมามันไม่ได้เป็นอะไรที่มันเป็นความลับเลยทุกคนก็ต้องไปทางนี้ด้วยกันทุกคน ทุกคนก็ต้องปฏิบัติแบบนี้ด้วยกันทุกคนถ้าไม่มีศรัทธาก็ต้องสร้างศรัทธาให้เกิดเมื่อมีศรัทธาแล้วก็จะมีความขยันหมั่นเพียรตามมาจะมีความอดทนตามมาแล้วก็จะมีธรรมะต่างๆตามมาแล้วก็จะมีผลก็คือการหลุดพ้นตามมาอย่างแน่นอนไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้า ไม่ได้อยู่ที่พระสาวกทั้งหลายท่านเป็นเพียงแต่ผู้เปิดทางให้เราทำทางให้เราเดินเท่านั้นเองแต่เราต้องเป็นผู้เดินท่านจึงต้องสอนเราว่าอัตตาหิอัตโนานาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอย่าหวังพึ่งผู้อื่นพาเราไปสู่การหยุดพน้นเขาพาเราไปไม่ได้เขาเพียงแต่ชี้ทางให้เราได้เขาไม่สามารถ เดินแทนเราได้เราต้องเดินไปเองเพราะฉะนั้นถ้าเรายังขาดศรัทธาอยู่ก็ขอให้เราพยายามสร้างศรัทธาให้มีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปพยายามฟังเทศฟังธรรมอย่างสม่าเสมอและฟังด้วยสติอย่าฟังแบบใจลอยถ้าฟังจแบบใจลอยก็จะเป็นเหมือนทับพีในหม้อแกงฟังจบแล้วก็จะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่เกิดศรัทธา แต่ถ้าฟังด้วยสติฟังแบบลิ้นแล้วก็จะเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจเกิดศรัทธาขึ้นมาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทำประโยชน์เพื่อตอนเองและผู้อื่นด้วยความไม่ประมาณนี้ให้ท่านได้นำไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุข ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรัยมีพระพุทพระธรรมพระสงค์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพิญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและวานเจริญ ด้วยอายุมนณสุขะภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ